ตอนที่127นางกลายเป็นเครื่องสังเวทหลิวเคอเคอตั้งคันครั้งนี้มีประสบการณ์มากกว่าครั้งแรกนางคิดว่ายิ่งเก็บออมเงินก่อนคลอดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลหากคลอดออกมาเป็นลูกสาวนางก็ต้องวางแผนสำรองไว้เช่นกันแม่สกุลหลิวไม่เห็นได้อย่างยิ่งที่นางจะรีบมีลูกคนที่สองเร็วขนาดนี้ร่างกายจากการคลอดลูกคนแรกยังไม่ทันฟื้นตัวดีอีกทั้งตอนนี้ยังไม่มีกำลังซับแล้วยังจะดึงดันมีลูกคนที่สองอีกหรือ ตกลงว่านางเป็นบ้าไปแล้วหรือว่าหลิวเคอเคอที่เสียสติกันแน่ไม่ได้แม่สกุลหลิวปฏิเสธทันควันเด็กในท้องคนนี้เก็บไว้ไม่ได้ตอนเจ้าคลอดลูกคราวก่อนพูดว่าอย่างไรบอกว่าเสียใจภายหลังไม่ใช่หรือตอนนี้ข้าเห็นว่าเจ้าหายเจ็บแล้วลืมตัวผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็คิดจะคลอดลูกคนที่สองแล้วโจจี้นเยากรอกยาสเสน่ห์อะไรให้เจ้ากันแน่เจ้าถึงได้หลงเขาขนาดนี้ท่านแม่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป พวกเราไม่มีทางมีแค่ลูกสาวคนเดียวหรอกแม่สามีของข้าเฝ้าถวิลหาต่หลานชายนางเชื่อมั่นว่าท้องนี้ของข้าต้องเป็นลูกชายแน่นอนตอนนี้นางกลับบ้านไปขายบ้านขายที่ดินเพื่อหาเงินแล้วขอเพียงทุกคนรวมแรงร่วมใจกันย่อมต้องผ่านพ้นวิกฤตตรงหน้าไปได้แน่นอนแม่สามีของเจ้านั่นเป็นคนอย่างไรเจ้าก็น่าจะรู้แก่ใจนางยอมขายบ้านขายที่ดินก็เพราะเห็นแก่หลานชายและถ้าเกิดคลอดออกมาเป็นหลานสาวละ่ะถึงตอนนั้นจะทําอย่างไร คงไม่ใช่ว่าจะยัดเด็กกลับคืนท้องไปหรอกนะหนิวซูเฟินปรัจใจเชื่อว่าเด็กคนนี้คือหลานชายหลิวเครอรเคอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่านแม่หรือว่าท่านไม่อยากเห็นข้าได้ดีเจ้าแม่สกุลหลิวโกรธจัดจนตัวสั่นนางเงือ้อมือตกหน้าหลิวเครอรเคออย่างแรงเสียงเพีย้ยดังสนั่นแรงตบนั้นมหาสาลเพราะนางหวังลึกๆว่าจะทาให้เด็กในท้องแท้งไปเสียจะได้หมดเรื่องหมดราวใส่หัวไปเลยนะ ต่อให้เจ้าไปตายอยู่ที่โรงพยาบาลข้าก็จะไม่ไปดูดำดูดีเจ้าอีกรีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้หลิวเคอรเคอร์อไม่รู้สึกว่าตนเองทำผิดตรงไหนนางยืนกรานจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เด็กคนนี้คือโอกาสเดียวที่นางจะพลิกฟื้นฐานะในตระกูลโจหมู่บ้านเทียนสุยสิ่งแรกที่หนิวซูเฟินทำหลังจากกลับมาจากในเมืองคือการขึ้นค่าสินสอดจากเดิมหนึ่งร้อยหยวนพุ่งพรวดไปเป็นห้าร้อหยวนโจชุนหงถึงกับตกตะลึง นางคิดว่าเงินหนึ่งรอยหยวนก็ไม่ใช่จานวนน้อยๆแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงห้ารอยหยวนในตอนนี้เลยมองไปทั่วทั้งหมู่บ้านจะมีใครปัญญาจ่ายเงินสินสอดห้าร้อหยวนกันนางไม่ใช่สาวงามเลยค่าที่ทําจากทองเสียหน่อยทำไมคนอื่นต้องยอมควักเงินห้าร้อยหยวนมาแต่งงานกับนางด้วยโจชุนหงมองแม่ของตนอย่างไม่แยกจะเชื่อสายตาท่านแม่ท่านเลยเลือนไปแล้วหรือห้ารอยหยวนนะั้นไม่ใช่ห้าเหมาหรือห้าหยวนถ้าบ้านเขามีเงินห้าร้อยหยวนป่านนี้คงรีโนเวทบ้านใหม่ไปนานแล้ว ถ้าแม้แต่สินสอดห้าร้อยหยวนยังหามาไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งกับลูกสาวข้าหนิวซูเฟินกล่าวด้วยน้ำสียงเงย็นชาพลางปลายตามองชุนหงเรื่องนี้จะต้องฟังค่าลูกสาวตระกูลโจของข้าต้องมีค่าตัวแพงกว่าบ้านอื่นโจชุนหงนางรู้สึกว่ามันต้องไม่ใช่เหตุผลนี้แน่ๆการที่แม่ของนางจู่จู่ก็กลับมาครั้งนี้ต้องมีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงแม้แต่พ่อสกุลโจก็ยังรู้สึกว่าหนิวซูเฟินทำเกินไป สินสอดทองมันก็ตกลงกันไว้ดิบดีแล้วจะมาเปลี่ยนใจกับทันหันแบบนี้ได้อย่างไรหนิวซูเฟินปิดประตูคุยกับเขาเพื่อบอกข่าวดีลูกสะั้ยพวกเราท้องอีกแล้วแถมท้องนี้ต้องเป็นลูกชายแน่นอนตระกูลโจของพวกเรากำลังจะมีหลานชายแล้วพ่อสกุลโจได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้ายินดีจริงหรือดูเจ้าพูดเข้าสิแน่นอนว่าต้องจริงสิจะเป็นเรื่องหลอกได้ยังไงหนิวซูเฟินเชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจ ที่ข้าอุตส่าห์ไปดูแลนางตั้งหลายวันนับว่าไม่เสียแรงเปล่าหริวเคิรเคิรช่างทําตัวมีประโยชน์จริงๆแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่นิดหน่อยพ่อสกุลโจเห็นปฏิกิริยาของนางใจก็พันหนักอึ้องเกิดอะไรขึ้นก็คือหนิวซูเฟิร์นถอนหายใจออกมาด้วยสีหน้าลำบากใจพวกเขาไม่อยากเก็บเด็กคนนี้ไว้ไอ้พวกลูกไม่รักดีนี่มาหลานชายคนโตของบ้านเรานั้นนึกจะไม่เอาก็ไม่เอาหรือความคิดของใครกันพ่อสกุลโจต้วาดล้าน ไม่เกี่ยวกับพวกเขาสองคนหรอกอันที่จริงข้าก็เข้าใจการตัดสินใจของพวกเขาได้ไม่ยากนิวซูเฟินถอนหายใจอีกครั้งสภาพบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรเจ้าก็รู้ลําพังเด็กคนเดียวก็แทบจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเลี้ยงเด็กสองคนเลยแถมในอนาคตพอหลานชายโตขึ้นก็ต้องแต่งงานมีลูกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปแต่งเมียพวกเขาสองคนรู้สึกกดดันมากที่ข้ากลับมาครั้งนี้ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขาเจ้าจะช่วยแบ่งเบาอย่างไร พ่อสกุลโจเข้าใจสิ่งที่ภรรยาพูดมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆค่าใช้จ่ายตอนนี้สูงมากในหมู่บ้านเทียบกับในเมืองไม่ได้เลยหรือจะให้พวกเขากลับมาอยู่บ้านค่าใช้จ่ายในบ้านเราจะได้น้อยลงหน่อยเจ้าเลอะเือนไปแล้วหรือล้านชายคนโตของข้าเกิดมาก็เป็นคนเมืองแล้วจะกลับมาทําไมเขาต้องอยู่ที่เมืองเพื่อเสวยสุขสิหนิวซูเฟินถลึงตาใส่เขาก่อนจะพูดต่อข้าคิดไว้แล้วเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กพวกเราจะขายบ้านเก่ากับที่ดินทั้งหมดทิ้งเสีย ยังไงลูกชายเราก็ไม่ทำนาแล้วบ้านเก่าหลังนี้พวกเขาก็คงไม่กลับมาอยู่อีกส่วนเรื่องสินสอดของชุนหงต้องเพิ่มเป็นห้าร้อยหยวนใครควักเงินห้าร้อยหยวนออกมาได้ค้าถึงจะยกลูกสาวให้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาคุยกันพ่อสกุลโจถึงกับสูดหายใจเข้าลึกด้วยความตกใจเจ้าบ้าไปแล้วหรือห้าร้อยหยวนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะข้าไม่ได้บ้าหนิวซูเฟินยังคงมีสติดีอยู่ และนางยืนกรานว่าต้องเป็นเงินห้าร้อยหยวนเท่านั้นประเด็นสําคัญคือเรื่องแต่งงานของลูกสาวกับทางนั้นตกลงกันไว้หมดแล้วเจ้ามาขึ้นราคาเอาตอนนี้ทางนั้นเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยถ้าหาเงินมาไม่ได้งานแต่งก็ต้องล้มลูกสาวกับเขาก็รักกันดีในะการทําลายงานแต่งงานคนอื่นมันแบบหนา ย, ยิ่งกว่าทําลายว่าสิบแห่งเสียอีกพ่อสกุลโจยังคงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไร้ศีและทำเกินไปเขาไม่อยากทําลายงานแต่งงานของลูกสาว เรื่องเงินยังพอหาวิธีอื่นได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าว่าควรทำอย่างไรนิวซูเฟิร์นแบมือออกโยนคำถามกลับไปให้เขาถ้าเจ้าหาวิธีอื่นให้ข้าได้ข้าก็ไม่มีทางเอาเรื่องแต่งงานของลูกสาวมาล้อเล่นหรอกไม่มีหนทางอื่นเลยตอนนี้พวกเขาถูกบีบจนต้องขายบ้านขายที่ดินแล้วจะยังมีวิธีอื่นได้อย่างไรเฮอข้าแค่รู้สึกว่าทาแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อลูกสาวพวกเราเลี้ยงนางมาสิบกว่าปี นางก็ควรจะทำประโยชน์ให้ครอบครัวบ้างไม่ใช่หรืออีกอย่างครอบครัวไหนที่สามารถควักเงิน500รอยหยวนออกมาได้ฐานะทางบ้านจะแย่ได้อย่างไรลูกสาวแต่งออกไปก็เพื่อไปเสวยสุขชัดๆนิวซูเฟินอธิบายเช่นนี้ซึ่งดูเหมือนจะมีเหตุผลอยู่บ้างพ่อสกุลโจงเงียบไปโดยหารู้ไม่ว่าเรื่องที่พวกเขาทั้งสองคุยกันในห้องนั้นโจชุนหงที่แอบอยู่นอกประตูได้ยินทุก ค, คาพูดอย่างชัดเจน นางอารมณ์พลุ้งพล่านจนต้องกำหมัดแน่นพยายามข่มใจไม่ผลักประตูเข้าไปในทันทีนางรู้ดีว่าตราบใดที่เป็นการตัดสินใจของแม่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครเปลี่ยนใจนางได้งานแต่งงานของนางถูกกำหนดให้ต้องกลายเป็นเครื่องสังเวชเสียแล้วสิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือการที่นางไม่ได้แต่งงานให้เร็วกว่านี้หากตกลงกันได้เร็วกว่านี้สักนิดแม่ของนางก็คงไม่จ้องจะเล่นงานเช่นนี้โจชุนหงเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกนางจึงหมุนตัวเดินจากไป